กระหันตสมมาสมพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้มีพระพุทธภาษิตตัดไว้ในธรรมบทซึ่งแปลความว่าฝนย่อมรัวรถเรือน ที่มุ่งไม่ดีฉันใดราคะย่อมรัวรถจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั่นตามระพุทธภาสิทนี้ยกเอากิเลสกองราคะ ขึ้นแสดงแต่ก็พึ่งเข้าใจว่าแม้กิเลสกองโทสะกองโมหะก็เช่นเดียวกันย่อมร่วรลดจิต คือบางเกิดขึ้นแก่จิตที่ไม่ได้อบรมเหมือนอย่างเรือนที่มุงไม่ดีฝนตกก็รั่วฉะนั้นตามข้ออุปมาด้วย เรือนที่มุงไม่ดีฝนตกก็รั่วทำให้เห็นชัดเจนถึงจิตใจที่รัดแสดงโดยมีข้ออุปมาณนั้น ว่าจิตใจที่ไม่ได้อบรมบรรดากิเลสมีกิเลสกองราคะเป็นต้นก็บังเกิดขึ้นเหมือนอย่างฝนตกลัวรดได้ จิตใจนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องรักษาเครื่องคุ้มกันการเปรียบเหมือนอย่างต้องบ้านที่ต้องมีหลังคาคนที่อยู่ในบ้าน จึงจะไม่ต้องถูกฝนตกรัวรดบุคคลก็ฉชนนั้นเมื่อจิตมุงหลังคาดีอิเลสซึ่งเหมือนฝนก็ตกรัวรดไม่ได้ ก็คือจิตที่ได้ปฏิบัติในจิตตภาวนาการอบรมจิตนั่นเองอันจิตตภาวนาคือการอบรมจิตนั้นก็ด้วยวิธีปฏิบัติมีสัญญมะ คือความสำรวมระวังจิตและมีธรรมะคือความคมฝึกจิตอันจัญญะคือความสำรวมระวังจิตนั้นก็คือมีสติ รักษาประตูในและประตูนอกของจิตประตูในก็คือมโนคือใจอันเป็นอาจตนะข้อที่หประตูนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย และมนัะ ก, ก็คือตาหูจมูกลิ้นและกายประตูในคือมโนใจและประตูนอกท้งห้าก็คืออจตนะภายในทั้งหกนั่นเองซึ่งเปิด รับอารมณ์คือเรื่องเข้าสู่จิตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นเช้าจนถึงหลับไปใหม่บรรดาเรื่องที่เข้ามาทางประตู เหล่านี้จิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีสติรักษายอมยึดถือเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ น้อยหรือมากมานจึงอาศัยอารมณ์เหล่านี้นั่นแหละวิ่งเข้ามาสู่จิตคือกิเลสสมานอันได้แก่ราคะหรือโลภะบงังโทสะบงังโมหะบงังบุคคลจึงเดือดร้อน วุ่นวายกระสับกระส่ายไม่สงบอยู่ในอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ทุกวันและทุกเวลาฉะนั้นจึงตรัสสอนให้ทำจิตภาวนาคืออบรมจิต โดยตั้งสติความระลึกได้กำกับจิตอยู่ที่จะไม่ไม่ผูกจิตไว้กับอารมณ์เพราะว่าความผูกจิตไว้กับอารมณ์นี้ เป็นตัวสัญญาต์ความผูกหรือเครื่องผูกเมื่อผูกจิตไว้กับอารมณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามมานซึ่งเป็นกิเลตก็เข้ามา ปรากฏเป็นกิเลสดังที่กล่าวดั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องมีสติระวังใจสำรวมใจเอาไว้ที่จะไม่ยึดถืออารมณ์ที่เข้ามาเหล่านี้ สติที่สัมรวมใจหรือระวังใจนี้เองเรียกวัดสัญญะที่แปลว่าความสัมรวมใจหรือความระวังใจหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังวรความสัมรวมความระวัง สัญญาะหรือสังวรมีความหมายเป็นอันเดียวกันเมื่อมีสัญญาะหรือสังวร อ, อยู่อารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมตกอยู่นอกประตูมานก็เข้ามาไม่ได้ เพราะมารคือกิเลสนั่นจะเข้ามาได้ก็ด้วยอารมณ์กับอารมณ์ประกอบกับจิตยึดถือเป็นตัวสนโยตคือความผูกพันขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติอบรมจิตนั่นอันเรียกว่าจิตภาวนา จึงต้องมีสังวรหรือสัญญมะอาศัยสติความเมลึกได้ตั้งสติขึ้นให้กำกับจิตใจอยู่ทุกขณะที่จะไม่รับคือไม่ยึดถือ อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาอารมณ์ก็ผ่านเข้ามาไม่ได้ต้องตกอยู่นอกประตูดังกล่าวนั้นอาการที่จิตตั้งอยู่ในสัญญาะความสำรวมระวังหรืออาการที่สัญญาะความสำรวมระวังตั้งอยู่ในจิตโดยมีสติ เป็นภูชักนำดังนี้คือสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอันแท้จริงและสมาธินี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสมาธิ ทางสมถะคือสมาธิที่นำให้เกิดความสงบใจจากอารมณ์และกิเลส ท, ทั้งหลายจิตก็สงบตั้งอยู่ในภายในไม่ออกไปยึดอารมณ์ภายนอก อาการที่จิตตั้งสงบอยู่ในภายในไม่ยึดอารมณ์ภายนอกนี้เป็นตัวสมถะคือความสงบโดยอาศัยสติระมัดระวังสำรวมและสติที่มีหน้าที่ระมัดระวังสำรวมนี้เองก็ได้ชื่อว่า สัญญะหรือสังวรก็คือตัวสตินั่นเองและสติที่ตั้งอยู่และจิตที่ตั้งอยู่ในสัญญะหรือสังวรสังวรหรือสัญญะที่ตั้งอยู่ในจิตคือตัวสมาธิฉะนั้นสมาธิดังนี้ จึงทำให้จิตสงบตั้งอยู่ในภายในไม่ออกไปยึดอารมณ์ภายนอกและตัวสมาธิอันนำให้บังเกิดความสงบซึ่งเป็นสมถะตั้งอยู่ในภายในนี้ก็รู้รู้รูปทางตา คือเห็นอะไรอะไรรู้เสียงทางหูคือได้ยินอะไรอะไรทราบกลิ่นรสผลิตภทางจมูกทางเล่นทางกายและรู้คิดทางมโนคือใจ แต่ว่ารู้ทางมโนคือใจนี้เป็นตัวรู้ที่สงบอยู่ในภายในแต่ว่าแม่รู้ทางตาดังหูเป็นต้นดังกล่าวจิตก็ไม่วิ่งออกไปจับรูปจับเสียงจับกลิ่นจับฤทจับรสจับผธิตภัจับ เรื่องที่ใจคิดใจรู้จิตไม่วิ่งออกไปจับมารก็ไม่เข้ามาได้จึงไม่บังเกิดเป็นราคะหรือโลภโทสะโมหะในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็ตกอยู่แค่นอกประตูดังกล่าวมาข้างต้นนั้น จิตก็ตั้งสงบอยู่ในภายในไม่วิ่นออกไปถตาหากว่าได้สมาธิที่มีลักษณะดังนี้ย่อมมีอิสระเสรีอยู่กับตัวเองคือว่าไม่ต้องหลับตาหลับหูลืมตาลืมหู ดูอะไรได้ฟังอะไรได้เป็นต้นแล้วก็รู้ว่านั่นเป็นรูปนั้นรูปนี้นี่เป็นเสียงนั้นเสียงนี้ดังนี้เป็นต้นแต่ว่าจิตตั้งสงบอยู่ในภายในไม่ออกไปจับไปยึดให้เป็นราคะหรือโลภโทสะโมหะขึ้นในจิต ดังที่เรียกว่าอากุศลธรรมเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายไม่ไหลเข้ามาสู่จิตอาศัยอารมณ์ที่เข้ามาทางทวันเหล่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหลับพระเนตร ไม่ทรงมองอะไรอะไรไม่ทรงอุดพระกันไม่ฟังอะไรอะไรก็ได้ทอดพระเนตรนั่นนี่ฟังนั่นฟังนี่ต้นและในปีใกล้สุดท้าย ที่จะเสด็จดับขันธะปฏิฎิขานที่มีเล่าไว้ในพุทธประวัติว่าเสด็จออกจากเมืองเวสาลีก็ยังได้หันพระองค์ไปทอดพระเนตรเมืองสาลีและตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าเป็นเมืองที่งดงาม ก็แสดงว่าก็ทรงทราบลูกทราบเสียงเป็นต้นตามสมมติโลกทุกอย่างอะไรที่เป็นสมมติโลกว่างงดงามเช่นบ้านเมืองที่งดงามก็ได้ตรัสว่างดงามแต่ว่าพระจิตของพระองค์นั้น ไม่ออกไปจับไปยึดให้บังเกิดกิเลสเป็นราคะหรือโลภะโทสะโมหะขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นสงบอยู่ในภายในสงบเป็นอย่างดียิ่งไม่มีที่จะดิ้นรนกัดแกว่งกระสับกระส่ายไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลาย แม้แต่น้อยเ็ราได้ทรงมีสัญญะหรือมีสังวร อ, อยู่อย่างสมบูรณ์อันเกิดจากความสิ้นกิเลสาสนะดังนี้เป็นสัมมาสมาธิแท้จริงและเป็นสัมมาสติที่แท้จริง เป็นสังวรเป็นความสำรวมความระวังที่แท้จริงอันมีอยู่บริบูรณ์ในพระองค์อีกข้อหนึ่งคือธรรมะความข่มใจหรือความฝึกใจ อันมุ่งหมายถึงฝึกใจข่มใจให้ละกิเลสทุกอย่างอันกิเลสที่บังเกิดขึ้นนั้นแม้ว่าผู้ปฏิบัติ ทำสัญญะคือความสำรวมระวังแต่ก็มีเวลาที่จะเผลอสติเมื่อเผลอสติอารมณ์ก็เข้ามาจิตก็จับอารมณ์เป็นสัญน์ขึ้นก็เกิดราคะหรโลโภะโทสโมหะขึ้นในอารมณ์ และบุคคลสามัญทั่วไปก็ยังมีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยของจิตสันดานอยู่ที่เทนเปรียบเหมือนอย่างว่าตะกอนที่นอนก้นตุ่มกิเลสเหล่านี้ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นนิวรนขึ้นในจิตใจ ก็ปรากฏเป็นกามฉันบ้างพยาบาทบ้างความง่วงวุ่นเครืบอเครื่อบ้างความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจบ้างความเครื่อนแคลงสงสัยต่างๆบ้างยัวเยี่ยอยู่ในจิตใจปรากฏอยู่กำหนดดูที่ใจก็จะเห็นได้ ก็กิเลสเหล่านี้เองเมื่อบังเกิดขึ้นก็เป็นทัวขมแหงใจและเป็นตัวที่จะฝึกใจนี้ให้ปฏิบัติตามอำนาจของกิเลสดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อกำหนดดูจิตที่กำลังมีกิเลส ลุ่มกลัดอยู่ถ้าหากว่ามีความสำนึกดีก็จะมีความรู้สึกว่าจิตนี้ในขณะที่มีกิเลสลุ่มกลัดอยู่นั้นเหมือนอย่างบ้านที่กำลังถูกโจรปล้น หรือว่าอย่างบ้านที่หลังคารั่วฝนตกรั่วรดต้องเปียกมอมแมมถ้ามีความรู้สึกดีย่อมจะมีความสำนึกดังนี้และถ้าหากมีความสำนึกอย่างนี้ได้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะทาให้เห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของราคะของโลภะของโทส ะ, ข อ, ทะของโมหะ ว่าเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเมื่อเห็นโทษของกิเลสได้ก็ยอมจะทำให้นายในกิเลสอันนี้สำคัญคือให้นายในกิเลสอย่าให้ไปรักกิเลส คนสามัญ น, นั้นรักกิเลสรักราคะหรือโลภะรักโทสะรักโมหะเป็นกิเลสซ้อนกิเลส <c oughs> เพราะไม่ได้หัดข่มจิตแต่ให้กิเลสเองเป็นไฟข่มแหงจิต คมขูจิตให้กิเลสเองเป็นฝ่ายที่รังแกจิตซ้ำกับรักกิเลสซึ่งเป็นผู้คมเหงเป็นผู้รังแกอีกด้วยดังนี้ก็คือว่ากิเลสฝึกจิตมาจนเห็นว่ากิเลสดีน่ารักก็รักกิเลสชอบกิเลสไม่ไนในกิเลส เพราะว่าธรรมชาติของจิตนี่เมื่อเสวนาคุ้นอยู่กับอะไรมากก็ยอมจะน้อมไปในสิ่งนั้นมากเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้กลับมาเป็นฝ่ายฝึกจิตข่มจิตคือข่มแห่งกิเลสข่มกิเลสเสียบังและ เครื่องมือที่จะปฏิบัติในการข่มเพงกิเลสหรือข่มกิเลสนั้นไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริง ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงนี่แหละเป็นตัวธรรมะคือเครื่องขม่มเครื่องฝึกอย่างดีเลิศปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนธรรมะนักหนาสอนอย่างนั้นสอนอย่างโน้นสอนอย่างนี้สอนอย่างนั้น ปริยายนี้ปริยายนั้นมีอุปมาต่ตางๆก็เพื่อที่จะจี้ใจบุคคลให้ได้ความสำนึกเกิดปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงขึ้นนั่นเองดังที่ตรัสสอน ยกอุปมาถึงหลังคารั่วฝนก็รั่วรดชั้นใดก็ดีจิตที่ไม่ได้อบกิเลสก็รั่วรดหรือแม่อุปมาประการอื่นก็เพื่อที่จะให้เห็นโทษของกิเลสให้หนายในกิเลสรังเกียจกิเลส จะได้ไม่รักกิเลสไม่รักราคะไม่รักโลภะไม่รักโทสะไม่รักโมหะและถ้าหากว่าได้ปัญญาคือความรู้ขึ้นแม้สักนิดหน่อยคือปัญญาที่เห็นโทษกิเลสอันทำให้หนายในกิเลสคลายความรักในกิเลสความติดในกิเลสได้แล้วนั่นแหละ เป็นอันว่าได้ตัวปัญญาที่มีคุณประโยชน์มากแม้ว่ายังละไม่ได้ก็ยังดีเพราะว่าไม่กิเลสโผล่หน้าขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้อนรับรีบบอกให้ไปไปเสียหรือว่าหลีกหนีไปเสียเรารู้สึกว่ากิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้น จะเป็นตัวราคะก็ตามโลตัวโลภาก็ตามโทสะก็ตามโมหก็ตามเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจริงสริงสเอียนจริง ๆ, งๆไม่ชอบหน้าจริงๆแต่ว่าเพราะยังละไม่ได้ยังมีอาสวะอนุสัยที่ดองจิตสันดานอยู่กิเลสจึงต้องโผล่หน้าขึ้นมา บ่อยๆหรือานานๆครั้ ง, งก็ตามแต่ว่าเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็รังเกียจรู้สึกว่าไม่สบาย